อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเปิดรายการเปิดสถานีของเราด้วยรายการธรรมารับอรุณนะคะเราพบกันในเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมค่ะเสาร์ที่3มีนาคม2555นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำตามปฏิทินก็คือเดือน4นะคะก็ปีมโรงค่ะซึ่ง คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ต้องทราบกันละค่ะว่าในวันพุธที่เจที่จะถึงในสัปดาห์หน้านี้นั้นเนี่ยนะคะซึ่งก็คือนับจากวันนี้ไปก็เหลือประมาณ3วันนั้นเนี่ยก็จะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนเราเป็นวันแรกของปีหรือว่าเป็นวันที่เราให้ความสําคัญอย่างยิ่ง ในสาวันสำคัญทางพุทธศาสนาของเรานะคะนั่นก็คือจะเป็นวันขึ้น15บห้าค่เดือนสี่ซึ่งก็เป็นวันมาคาบูชาค่ะเช้าวันนี้รายการธรรมารับรุณจึงได้กราบนิ ม, มนต์พระอาจารย์ภัยบูรณอภิปุโนพระอาจารย์องปาถกประจำ ร, รายการธรรมารับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้มาสนทนาธรรมะหรือว่าสักษาเกี่ยวกับความสําคัญของวันมาค้าบูชากันนะคะว่ามีความสําคัญกันอย่างไรบ้างเพื่อว่าจะน้อมนําจิตใจของท่านผูฟ้ฟังทางบ้านทุกๆ ท, ท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณ น, นั้นได้นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ส่งเผยแพร่แล้วก็สั่งสอนมานะคะซึ่งก็คงมาถึงในปีนี้เนี่ย สิ่งอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เป็นจริงในทุกยุคทุกสมัยสามารถพิสูจน์ได้เหมือนวิทยาศาสตร์นั่นคือคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดำรงคงอยู่ถึง 2,600 ปีในปีนี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ภั ย, ยบู์อภิบุญโนท่านพระอาจารย์จากวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบน้ำส ก, การเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขะเซนพานชาทุเจ้าขาอย่างที่โยมเกริ่นนะเจ้าคะ อ, อยากจะกราบขอความเมตตาพระาอาจารย์ภับูล์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าในวันเสาร์อาทิตย์ที่3และที่4 ม, มีนาคมนี้โยมก็อยากจะข อ, อะนําเรื่องของวันมาคบูชามาสากักษาหรือมาสนทนาถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเพื่อว่าจะได้เป็นการเตือนสติท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็จะได้รับ ความรู้และก็สิ่งที่เป็นมงคลจากคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันด้วยนะเจ้าคะประการแรกก็คือโยมอยากจะขออนุญาตกราบนิมนต์พระอาจาร ย, ย์ไพบุตรอภิปุโนะเจ้าค่ะได้พูดถึงความสําคัญของวันมาค้าบูชาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นลําดับแรกเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าคะ่ะพูดถึงความสําคัญของวันแม้วันสักวันใดวันหนึ่งะนะ จู่ค่ะเปนเช่วันมาคบูชาวันพ่อวันแม่วันวิสาขบูชาอะไรนี่นะจู่ค่ะทั้งหมดนี้เป็นแค่ให้เราระลึกถึงนะจู่ค่ะเป็นระลึกถึงความดีระลึกถึงสิ่งที่เราควรจะทําทีนี้ไอ้วันที่มันสําคัญที่สุดเนี่ยคือวันนี้ในวันปัจจุบันที่เราเคยพูดไปแล้วนะกูติดใจถ้าเราจะพูดถึงความสำคัญของวันเนี่ยเราต้องจะพูดในลักษณะว่าวันนี้ในวันวันมาคบูชาเนี่ยจู่่ะเมื่อวันนั้นน่ยตอนนั้นเน่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างจู่ค่ะถ้าเราจะพูดในลักษณะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนัั้นนนเี่ยมคืออะไร แล้วมันมีความสำคัญอย่างไร <c oughs> อย่างนี้ดีกวา่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยเป็นเป็นวันที่หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเดือนหกใช่ไหมเ้าค่ะก็เดือนแปดก็ไปแสดงธรรมเทศนาแล้วก็อีกสี่เดือนแล้วก็อีกห้าเดือนก็มาพูดถึงช่วงเดือนเดือนเดือนสามนี้หก <c oughs> แปดสามอีกสี่เดือนก็เลยมาแสดงโอบาตถปติโม่คือมันมาค บ, บูชา คือในตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือหลังจากที่พระชาติตรัสรู้นะําไปแสดงธรรมเนี่ยก็มีพระอาาราันอยู่ทั้งหมดหกสิบรูปด้วยกันตอนนั้ น, นแต่ละคนก็ออกกระจายไปแสดงธรรมนะพระเจ้าก็ไปไปหาพวกฤาษีพวกอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดน่ะเราก็ปรับความเห็นของเขาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะบุคคลเหล่านั้นก็เลยเปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำผัดเป็นออกบวชจากเรือนก็จนกระทั่งามาถึง วันนี้วันคือวันมาค้าบูชาคือบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีพื้นฐานของความที่เป็นพราหม์บ้างเป็นอะไรบ้างนะ <Okay. S 2> ซึ่งเขาก็จะมีความเคยชินในระบบของสมัยนั้นว่าเออเราน่าจะมั่งมาเจอกันบ้างทุกๆวันเพน็น <Okay. S 2> นะซึ่งก็เลยมาพบพระพุทธเจ้ากันโดยไม่ได้นัดหมายค่ <Okay. S 2> นะเพราะว่าเป็นความเคยชินในสมัยนั้นว่าพวกนักบวชนักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมานัดประชุมกันในทุกออวันวันเพน เอกมีรู้พระเจ้าประชุมหรือเปล่าในนอกไปหาสิไปถามซึอย่างนี้ซึ่งก็ไปประจวบเหมาะกันวันนั้นพอดีเนี่ยคือในวันมาคาบูชาที่ อ, องค์ประกอบที่หนึ่งว่าภิกษุที่มาพบกันในวันนั้นเนี่ยมีหนึ่งันสองร้อยห้าสิบรูปแะรูปเลยนะเจ้าค่ะแต่ละรูปเ น, ะปนี่ยพระเจ้าวบวชให้เองทั้งหมดอืมเจ้าค่ะซึ่งในรักแรกของการสอนของพระเจ้าใช่ไหมเข้มข้นมากเนยทุกอง์ที่บวชเนี่ยนะเป็นบ้าหลานทั้งสิน้นเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็จึงมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างในวันนั้นก็คือเป็นนวั ที่มาเจอกันมันเป็นเดือนสามซึ่งปีนี้มันเป็นปีที่มีเดือนแปดสองครั้งเดือนสามเขาก็เลยมาเป็นเดือนสี่อย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นการวัดการนับทางจันทรคติที่เฉพาะบ้านเราเท่านั้นถ้าจะพูดในสมัยตอนนู้นเนี่ยก็คือวันเพ็ญเดือนสามเดือนมากราทีนี้อาการที่สองก็คือพระที่มาประชุมกันมีหนึ่งพันสองรยห้าสิบรูปมาโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็เป็นพระอรันทั้งสิ้นเป็นพระที่พระเจ้าบวชให้ทั้งหมด นะมีสี่องค์ประกอบนี้นะ่ะจึงเรียกว่า อ, องค์ประกอบของจัตุรงคสันนิบาตที่ว่าห ล, หลายๆคนคงจำได้ท่องกันแม้ในเด็กน ะ, ะองค์ประกอบของวันนี้มีจัตุรงคสานนิบาตก็คืออันนี้แหล ะ, ะเหตุอันนี้ก็จะถ้าพูดเป็นความน่าสัจจรนท์มันก็คือมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนะว่าเขาจะนิยมไปประชุมกันอย่างนักพรตนักบวชในสมัยนั้นอย่างที่ว่านะอะทุกปันเพลนก็จะมาประชุมกันซึ่งมันมาลงเลยกับตรงวันนี้พอดีะนะก็จึงเป็นเ ห, นเหตุการณ์ที่เอ่อหน้า มันสอดค้องกันพอดี น, น, นี่คือองค์ประกอบที่จะรงมข้อสันนิบาตทีนี้พอมาประชุมกันแล้วเนี่ยพระรูชาก็มาไม่รู้จะทาอะไรใช่ไหมการประชุมในสมัยนั้นก็แสดงธรรมพระรูชากําหนดว่อย่างนี้ว่าเวลาที่ไม่มีการวันพระวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนนี่ยังไม่มีวันพระนะจนกระทั่งพระชาติพิมพ์พิสานเนี่ยมาขอให้มีวันพระนี่คือวันที่พระสงฆ์เนี่ยมาประชุมกันบ้าง นะมาประชุมกันตอนแรกก็ไม่พูดอะไรนะคุณเดนใจใค่ะมาเสื้อขนังมองากาันเฉยๆอย่างเงี้ยนะก็มีบ่นอีกว่าโ อ, อ้มาเจอกันแล้วไม่ทําอะไรบ้างพระพุทธเจาก็เลยบอกว่าอ่ะมันจะแสดงธรรมกันอะก็จึงมีการมาประชุมกันแล้วแสดงธรรมเจ้าค่ะนะซึ่งนั่นคือในวันที่เลยๆจากมันมคบูชานี้ไปแล้วหรอกนั่นในหลายๆปีถัดมาถัดมาทีนี้ในในวันนั้นเนี่ยวันนั้นพระพุทา พ, พอมาประชุมกันหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปแล้วเนี่ยนะ คือหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปเนี่ยมาจากไหนก็คือมาจากปัญจวัคคียห้ารูปนี้ด้วยนะมาจากพวกที่บวชให้หกสิบรูปแรกนะที่แถวๆเมืองพระนสีนั่นด้วยแล้วก็มาจากพวกฤาษีอะไรต่างๆพวกเชลินสามพี่น้องนะที่มีพวกเยอะมากห้าร้อยหกร้อยต่างๆเนี่ยมารวมกันตรงนั้นด้วยก็จึงเป็นหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปทีนี้พวกพระพวกเนี้ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะพระเจ้าก็เลย แสดงปัทธรรมที่ชื่อว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกคํ uh, าว่าปาติโมกปาติโมกเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปสับสนกับหลายๆอย่างเราที่พูดถึงมีถึงสามอย่างด้วยกันนะคําว่าปาติโมกเนี่ยที่จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคําว่าปาติโมกเดี๋ยวพูดให้ ช, ชัดเจนก่อนเลยใ น, นตั้งแต่แรกอันดับแรกเนี่คือโอวาทปาติโมกที่เป็นคาถาที่พุทธเจ้าแสดงอันนี้อันที่หนึ่งอันดับที่สองนี่เป็ น, นการสวดปาติโมก ข, ของพระอ ค, คือพระเนี่ต้อง ถ้าใครทราบนี่ยฉะพบว่า be, พระนี่จะต้องมาสวดปฏิโมกขุทุกสิห้าวันมาฟังปฏิโมกปฏิโมกตรงนี้ก็คือศีลของพระอศีลของพระคือการสวดปฏิโมกการแสดงปฏิโมกเนี่ยคุณต้องมาประชุมทุกสิบห้าวันนะเพื้นที่จะมานั่งกันชั่วโ ม, มงเลยฟังไปศีลข้อสองร้อี่สิ็ดข้อร้อยหสิบข้อต่างๆมีอะไรบ้างเจค่ะอตรงนี้เนกะี่ยเรื่องของการแสดงปฏิโมกแล้วอันดับที่สามที่มีคําว่าปฏิโมกอยู่ด้วยเนี่ยก็คือว่าสํารวมในปฏิโมกและสองวร์ปฏิโมกตรงนี้ก็คือ สิลของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสองความหมายสุดท้ายตรงเนี้ยคือเกี่ยวกับเรื่องศีลของพระโดยตัวเองปฏิบัติเองนะแล้วก็โดยที่มาแสดงให้ฟังทุกๆสิบห้าวันเหมือนถ้าเราพูดถึงปฏิโมกปฏิโมกเนี่ยคุณต้องพูดให้ชัดเจนว่าปฏิโมกไหนโอวาทัปติโมกหรือการแสดงปฏิโมกหรือปฏิโมกขสังวรซึ่งแตกต่างกันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันอะทีนี้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทัปติโมกโอวาทัปติโมกเนี่ยคือเป็น เป็นเหมือนกับธรรมะหมวดธรรมะอันหนึ่งเป็นจะพูดว่าเป็นการประชุมก็ได้ครัสมมติเราจะประชุมใหญ่เนี่ยแต่ประชุมใหญ่สําหรับะจะสอนคนให้หลุดพ้นจากพุ่งทุกข์อย่างเงี้ยปัญหาต่งางๆในบ้านเมืองมีมากเหลือเกินมาประชุมกันเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงพระเจ้าจึงให้แนวทางแก้ปัญหานี้ไว้นะปัญหานี้ก็คือโอวาทปาติโมกซึง่งคุณจะจเราเมาพิจารณาตรีติตอนนั้นพระเจ้าบรรลุธรรมาเนี่ยยังไม่ทันถึงปี แต่แค่ประมาณไม่ถึงสิบเดือนใช่ไหมพอไม่ถึงสิบเดือนจากตรงนั้นแล้วเนี่ย เ, เราเราพระุทเจ้าก็มีสาวกอยู่พันสองร้อห้าสิบรุเพราะฉะนั้นจะขยายคำสอนนี่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการปริหารจัดการศาสนานะเจ้ ค, ค่ะก็คุณจะทำยังไงละ่ะก็ว่ะทุกองค์จึงมาประชุมกันนะเพื่อที่จะรับนโยบายในการที่จะไปไปเผยแผ่ศ า, าสนาบ้งนั่นเถอนี่พูดแบบส ม, ยมัยใหม่ให้เข้าใ จ, ใาใจนะจ้ค่ะเจค่ะ คือคือแต่ละคนความบรรลุแล้วก็จะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็จเดี๋ยวจะมาหามาพบปะเจอกันอพราะว่ปะเจอกันวันนี้ก็เลยอ่ประชุมกันซะเลยเจ้าค่านนะลักษณะนี้แต่ถ้าพูดเป็นการพูดเป็นคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าอในโลกนี้มันมีปัญหาเยอะแยะนะ อ, อมีศาสนาอยู่แล้วต้องหกสิบสองศาสนาแล้วทําไมใสช่ในสมัยนั้นมีศาสน า, าอยู่หกสิบสองศาสนานะซึ่งศาสนาบางศาสนาเนี่ย คนละคั่วกันอย่างชัดเจนนะคนหนึ่งบอกบาปมีคนหนึ่งบอกบาปไม่มีมอคืคนหนึ่งบอกว่าทําอะไรก็ไม่ได้รับผลหรอกทุกอย่างผลศูญสิ้นไปหมดอีกคนหนึ่งบอกว่าผลมียังไงต้องไดง้ซึ่งมันตรงกันข้ามกันหมดอุยปัญหาเยอะแยะนะที่มันแทงกันด้วยห่อคือปา อ, อมิจ้าที่ดีอะไรมีแต่ไม่หมดอเอ๊ะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเจนี่จะมองอีกมุมหนึ่งมุมนี้ก็ได้นะซึ่ง พระเจ้าตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจที่จะประกาศศาสนาที่63านะการประชุมครั้งนี้จึงไม่ใช่เรียกว่าเอาส่งจดหมายไปมีเทียบไปเชิญมาไม่ใช่มันเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญโดยบังเอิญอ่าโดยไม่ได้นัดหมายกันกอ่าซึ่งจะเป็นความงดงานนะคุณตุ่นใหญ่ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยสมมติถ้าคุณมีการเตรียมการส่งจดหมายไปอะไรไปมันไอ้คุณเพ่งแรงหรือเปล่าอ่ามีการเตรียมการคุณเพ่งแรงในการที่จะเพ่งโทษคนอื่น นะล่มล้างรัฐีอื่นให้สิ้นไปหรือว่าสถาปนาราศกาลละนะเพื่อให้คนอื่นสำคัญตนว่าฉันเป็นผู้วิเศษอย่างนู้นอย่างนี้นแต่พระชา้าไม่ได้เป็นอย่างนั้ น, น, นเหตุการณ์ตรงนี้มันจึงเลยแบบเกิดขึ้นเองโดยธรรมิถือเป็น<า>ความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะ ซ, ซึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยจะมีอยู่ครั้งเดียวเจ ค, คือว่าการประชุมตรงนี้อาจจะมีจํานวนครั้งของแต่ละแต่ละท่านเี่ยจะไม่เท่ากันนะคือสมมติในสมัยพระเจ้าของเราสมณโคดมใช่ไหมก็จะมีครั้งเดียว ของพระเจ้าองค์อื่นๆนี่จะมีอีกครั้งก็แต่ละองค์แต่ละท่านจะไม่ไม่เหมือนกันเจ้าค่ะแล้วก็จะมีในยุคสมัยที่มีจํานวนพระมีอยู่ก็จานวนไม่เท่ากันแต่จะมีและจะมีการประชุมใหญ่ครั้งนี้อยู่แน่นอ น, น, นในแต่ละพระพุทธเจ้าเพราะนั้นตรงนี้เขาจึงให้ความสาคัญว่าโอ้มนันเป็นเป็นเป็นการประชุมที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นการประชุมใหญ่การประชุมที่พูดถึงเรื่องสาคัญที่เราจะไปบอก คำสอนทำไงถึงจะแก้ปัญหาของมนุษย์โลกตรงนี้ไอ้เนื้อหาของการประชุมตรงนี้จึงมีความสำคัญมากเจ้าค่ะนะซึ่งปรุชาก็พูดถึงอยู่ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคือขันติปรมัตต์ตะโปติติขานิพพานาพรมรังสุขขังพวกนี้นะเค่ะเช่นถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งปนะรุชาทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมนะผู้ทํำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นปัญประชิดผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสนามณะอันนี้หมายความว่าไง หมายความว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันมีการบํบาเพ็ญตบะกันอยู่อย่างมากมายบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรเอาตะปูมาทิ่มตัวเองปล่อยผมยาวๆไม่ซักบ้างเอาเปลเลย์กายบ้างเอาขี้กลอนมาถูตัวบ้างกำมือเนี่ยจนกระทั่งเล็บทะลุไปอีกข้างนึงของมือเงี้ยนะก็มนะีเพื่อเป็นการทรมานตัวเองทรมานตัวเองเพื่ออะไรเพื่อบูชาพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าเห็นใจเพราะพระเจ้าเห็นใจเราก็จะให้ชั้นปนฉากอืรถนะซึ่งพระเจ้าบอกว่าขันติต่างหา เป็นตะบะอย่างยิ่งคือความอดทนนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้ามองจากมุมแบบเป็นตั้งบริษัทอย่างเงี้ยนะก็คือว่าคุณจะไม่หาคนอื่นเนี่ยคุณจะไม่ให้คนเขามารับรู้รับคําสอนองเราไปเนี่ยคุณต้องอดทนก่อนอจะมองจากมุมนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นการบ่งบอกถึงคําสอนก็ได้เอีกอันหนึ่งที่ผู้ชื่นบอกว่าอนิพพานเนี่ยเป็นบ ร, รมธรรมอันนี้เป็นวรรคที่สองที่บอกว่านิพพานเป็นบ ร, รมธรรม ค, คือถ้าเราพูดถึง อย่างเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนที่ผ่านมาเราพูดถึงความสุขกับความทุกข์ใช่ไมใช่ค่ะความสุขความทุกข์สิ่งที่เป็นอกุศลกับกุศลเนี่ยอ่ามันเป็นด้านบวกกับด้านลบด้านบวกปัญหาของมันก็มีนะคือมันมันเสื่อมไปได้สมมติเราพูดถึงสวรรค์เป็นที่ที่ดีใช่หมใช่ค่ะแหมดีแน่นอนสวรรค์นเนี่ยปัญหาของสวรรค์คืออะไรคุณตกสวรรค์ได้ก็ชใช่ไหมปัญหาของคนดีคืออะไรมันมีความทุกข์มากกวนเราหลุดจากความดีตรงนี้ได้และนี่คือปัญหาของความดีเราจะแก้ไง คือความชั่วไม่ไม่ต้องพูดถึงมันชั่วแน่นอนมันไม่ดีแน่นอนใช่ไหมความดีมันก็มีปัญหามันกันเ<ม>พราะฉะนั้นอาจารย์หลุดจากปัญหาของความดีตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องไปเหนือกว่า น, นั้นคือการวางทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าถึงอพูดถึงเรื่องนิพพานขึ้นมาว่านิพพานเนี่ยเป็นมรรมธรร ม, มซึ่งการปฏิบัติของคนอื่นๆเนี่ยอาจจะสุดที่แค่ความดีคุณต้องรักษาความเดีคุณไว้นะเหมือนกับรักษาความเค็มแมมเกลือมันก็จืดจางได้นะ คเอาดินไปผสมคุน้ำไปผสมมันก็เจือจางไปเขเอาก้อนเกลือไปละลายในแม่น้ำเจ้าพาอย่างเนี้ยความเค็มหาย ห, หมดเลยเจ้าค่ะนะซึ่งตรงนี้เราจะทํายังไงเราจะทํางไงให้ให้ไม่ให้มีความทุกข์ที่เกิดจากความดีตรงนี้เหลืออยู่พระเจ้าใช้คําว่าอาบุญอาบุญนี่ไม่ใช่บาปนะอืมเจ้าค่ะอาบุญนี่ก็คือว่าทำยังไงให้บุญเนี่ยมันวางให้ได้ซึ่งในนิพพานเนี้ยดับไปหมดอืมเจ้าค่ะซึ่งซ่งซึ่งถ้าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไงก็ยกไปก่อนแตเพียงแต่ในขั้นตอนเนี้ย พยายามทำความเข้าใจตรงนี้สัก่อนก็นแล้วกันเถึง จ, จะได้พูดถึงตรงตัดไปว่าพุทเจ้าบอกว่าผู้เป็นผู้ทํำร้ายคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นบรญชิตคืออย่างอธิมาพระไพบูลเนี่ยจะไปบีบคอท่านผูฟังนี่ต้องรักษาสิทธิ์นะเฮ้ยเราทําไม่ได้หรอกเมนเราจะไม่ใช่เป็นสมณ ะ, ะอ่าแล้วก็พูดที่บิดเบียนคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเที่ยวประกาศตีกลองแล้วก็ใส่เครื่องขยายเสียงทุกคนทําอย่างนี้ มันก็ไปกวนเขาเ <Okay. S 1> บียดเบียนเขาก็จะไม่ใช่วิธีทางของสมณ ะ, <Okay. S 1> ะสมณะนี่เป็นมาผู้สงบแล้วก็สงบสงบนิ่งอย่างนี้แหละใครคิดว่าทางนี้เป็นการแก้ปัญหาต้องการทราบขาบ้อมูลเพิ่มเติ ม, ตมยินดีให้แต่เราจะไม่ไปบีบพ่อคุณบังคับขูเข่เข็นขี้นตีเราจะไม่ทำคือถ้าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่พอจะห้ามลูกเสียจากบาปนะ <Okay. S 1> ก็ควรจะควรจะทาตามระบบของคุณะ ถ้าระบบของพระสงฆ์ก็จะห้ามเสียจากบาปในระบบที่เราทำได้นั่นก็คือการที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อ ง, งอย่างนี้เป็ตนต้นถัดมาพระพุทธเจ้าพูดถึงการที่ไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะทำบำเพ็ญแต่ความดีตรงนี้เนี่ยบางคนไปมีความเห็นอย่างนี้ว่าที่พระพุทธเจ้าพูดถึงการขันติพระพุทธเจ้าพูดถึงการนิพพานการไม่ทำร้ายคนอื่นการไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยนะ คือเขาเรียกว่าอุดมการในการในธรรมะวินัยนี้ ค, คือสมมุติบริษัทอย่างเงี้ยเขาจะตั้งบริษัทเขาต้องมีพันธกิจใช่ไหมมีวิสัยทัศน์ของบริษัทเนี่ยซึ่งพันธกิจของผู้ริช่าเนี่ยคือคือขันติไม่เบียดเบียนนิพานและแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งในสี่อย่างในสี่อย่างก็คือขันติไม่ทํำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ น, นิพานนี่คือลักษณะของถ้าพูดปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะของพันธกิจ ในบริษัทนี้ในธรรมะวินัยนี้จ <Okay. S 2> ุ๊บค่ะแล้วก็จุดหมายนั้นหลักการเนี่ยก็จะมีอยู่สามอย่างก็คือเรื่องของไม่ทําชั่วทั้งปวงนะบำเพ็ญแต่ความดีแล้วก็ทําจิตของตนให้ผ่องใสจุ๊ค่ะตรงนี้เนี่ยมีหลายๆท่านที่เป็นนักศึกษาปริยัตเนี่ยยังมีความเข้าใจอยู่ในว่าทําจิตให้ไม่ทําความช่วทั้งปวงเนี่ยคือการคือการอย่างเช่นว่ารักษาศีล รักษาศีแล้วทําความดีนั่นคืออะไร <Okay. S 2> ความดีก็รักษาสีเหมือนกันนะแล้วส่วนไหนมันแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเราจะทํำยังไงใช่ไหมเราก็จะต้องมาดูตรงนี้ว่าการไม่ทําชั่วทั้งปวงเนี่ยนะคือเช่นความชั่วอะไรที่เรามีอยู่เราละออกไปนะคือสัมมาวายามะที่เราพูดถึงว่าอไม่ทําความทําความชั่วที่มีอยู่นะให้ละออกไปให้ได้ <Okay. S 2> นะะป้องกันไม่ให้ความชั่วใหม่ๆอย่าเกิดขึ้นคือเราต้องป้องกันความชั่วหหใหม่ๆอย่าให้มันเข้ามาก่อน เนี่ยเรก็ความช่วยที่มีอยู่เนี่ยเคลียรมันออกไปเนี่ยล้วก็เอาความดีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทําความดีที่มีอยู่เนี่ยให้เจริญขึ้นชกค่ะเนีเป็นสีขั้นตอนอย่างนี้ทีนี้การที่เราห้ามไม่ให้อ่าไม่ให้ทําชั่วไม่ทําชั่วทั้งปวงเนี่ยนะไม่ทําชั่วนี่ก็คือว่าเราหยุดความช่วที่เรามีหยุดความช่วยที่เรามีชกค่ะแล้วทําความดีถึงเราเนี่ยคือเอาความดีใหม่ๆใส่เข้ามาอ่าความดีใหม่ๆใส่เข้ามา แล้วทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยคือทํายังไงให้เราวางความดีนั้นได้เข้าใจไหม <ừ> ที่ที <ừ> ่เมื่อสกรูพูดถึงว่าส่วนที่ชั่วใช่ไหมจุกค่ะส่วนที่ดีใช่ไหมส่วนที่ดีเขามีข้อเสียนะไอการทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยคือวางส่วนที่ดีตรงนี้ <ừ> นึกออกไหมส่วนที่ดีก็ยังวางด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนที่ดีเนี่ยมันเสื่อมไปได้สมมติ <ừ> เราพูดถึงเมตตาเอะเมตตาดีนะคุณตนใจแต่ทำให้เราหน้าเด้งด้วย มีแต่คนรักด้วยแล้วก็นอนหลับฝันดีนะเมตตาดีมากๆเลยเอ้าดีแล้วยังไงแสดงว่าคุณทํำตัง้งแต่ความดีแล้วนะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของศีลเรื่องของอะไรพวกนี้คุณทำแน่นอนนะคุณรักความชั่วแล้วคุณทําดีละทําดีมีจริญเมตตาละเอสทาจิตให้บริสุทธิ์นี่เป็นยังไงนะเมตตาก็ตามอุเบกขาก็ ah, ตามเนี่ยโทษของเมตตาพระเจ้าเคยพูดไว้เขอไปโทษของอุเบกขานั่นคือจะทําให้เราเนี่ยยังอยู่ในภพอยู่นี่คือโทษของอุเบกขา นะโทษของเมตตาโทษของอุเบกขาโทษของอะไรเนี่ยคือความที่มันเสื่อมไปได้เจ้า ค, ความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้อืเสื่อมไปได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้นะมันทําให้เราเราอืไม่ไม่แน่นอนเจนะพระเจ้าจึงให้ทําจิตให้บริสุทธิ์เพื่อวางตรงนี้ใได้นี่คือขั้นที่สาม่นะนี่คือเขาเรียกว่าหลักการนะหลักการแล้วยังไงต่อวิธีการทํำยังไงะซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ย พระเาก็พูดถึงวิธีการอยู่ทั้งหมดหกวิธีนั่นะคือหนึ่งไม่กล่าวร้ายใครไม่กล่าวร้ายใคร <Okay. S 2> ง่ายไหมแปลว่าง่ายมากาคื อ, อดทนเนี่ยสําหรับคนที่อดทนไดน้มันจะอดทนได้ไม่ยากน ะ, ก ค, ะคือเขาด่าว่าหามาไงเขาเสียดสีว่าเฮ้ยวิธีนี้ไม่ถูกหรอกนัเนเลยเฉย เ, เราไม่กล่าวร้ายใครคอสองอไม่ทําร้ายใครไม่ทําร้ายใครคือพูดกับการทำใช่ไหมคือเราพูดถึงปากกับมือแล้ว <Okay. S 1> คุณอย่าไปตีเขาคุณอย่าไปโขกสับเขา เราคุณยังไปด่าเขาอันที่สามก็คือว่าให้สัมรุมในปาติโมกแต่ปาติโมกตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกับปาติโมกอโอวาทปาติโมกปาติโมกตรงนี้คือศีของพระสองร้อยี่สิเจ็ดข้อใช่ใชไหมเจ้าค่ะโอ้มีมากกว่านั้นมากคุณต้นใจเลยเจ้าค่ะมีเป็นพันๆข้อสีของพระเนี่ยสีไป่ว่าความปกติไงอืมเจ้าค่ะอย่างพระเนี่ปกติจะไม่เดินกินข้าว อจะไม่เคยเห็นพระเดินกินข้าวเพราะฉะนั้นคือความปกติของท่านที่จะไม่เดินกินอะไรอืมเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในขอ้อข้อหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในสองร้อยยี่สิบเจ็ดนะ <Wise Heil. S 2> ซึ่งมีเป็นอยู่ในหนึ่งในพันข้อเจ้ค <Wise Heil. S 2> ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสีของพระ น, นี่มีเป็นพรนพันข้อคือความปกติของพระอนะเจ้ค่ะอย่างพระก็จะมีปกติที่ใส่รองเท้ า, ท, าที่ไม่หุ่มซ่อนอย่างเงี้ยเจ้ค่ะถ้าเจอพระที่ใส่รองเท้าหุ่มซ่อนแสดงว่าท่านอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติท่านอาจจะหนาว ท่านไหนจะเป็นโรคท่านไหนจะเป็นไข้อะไรเราต้องไปสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะต้องการเราทราบนะะค่ะอ่านี่คือเรื่องของการสรํารวจในปติโมกษสามเป็นผู้รู้ประมาณในอาหารโอ้โหดีไหมรู้ประมาณในอาหารค่ะด้วสมัยนั้นเนี่ยหรือสมัยนี้ก็แล้วแต่นะพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องอยู่ในลักษณะที่พึ่งคนอื่นนะพิขาจารย์นั่ น, นคืออาชีพของของพระสงฆ์ท่านอาชีพอะไรเขียนว่ามังอย่างเงี้งงยเขียนว่าพระเป็นพระสงฆ์อาชีพพระสงฆ์นี้ใช่มเจ้าค่ะจริงๆต้องใส่ว่าอาชีพพิขาจารย์ เข้า <K ES> ใจไหมพิขาตจารย์ก็คือว่าเดินไปบินทบาตเดินไปบินทบาตเจ้าค่ะ <c oughs> เดินไปบินทบาทซึ่งอันนี้เป็นเป็นอาชีพของพระในการ<ช>ที่จะหาเลี้ยงชีพอ<ช>ืมเจ้า<ช>ค่ะอย่างสมมติบางคนรับราชการเขียนว่าราชการทหารราชการพลเรือนอย่างนี้นะเจ้าคะ่ะซึ่งถ้าเราเป็นพระก็ต้องเลี้ยงชีพด้วยการที่ไปพิขาตจารย์ซึ่งทําให้พระเจ้าพูดถึงประเด็นตรงนี้ว่างั้นเธอก็รู้จักประมาณในอาหารซะรู้จักประมาณในอาหารเนี่ยก็มือเดียวพอกอ่าถ้าเราพูดถึงการปฏิบัติก็คือมือเดียวพอ ถ้าเราพูดถึงการทำใจนะการพิจารณาเนี่ยก็คือว่าหนึ่งไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อโมเมาเมตาฉันเพียงเพื่อให้ไก่นี้ตั้งอยู่ได้ <Okay. S 1> นี่การพิจารณาการรู้จักประมาณในอาหารได้อาหารมามากนะก็มีสติเห็นโทษเห็นภัยในอาหารนั้นได้อาหารมาน้อยก็ไม่รู้สึกอึดอัดเกลียดชังนะได้อาหารที่ประณีตอาหารที่ไม่ประนีตก็ ไม่ตัวหนักหรือตัวเบาในการที่ทําความเพียรเป็นผู้ที่มีธาตุไฟสม่ําเสมออย่างนี้ดีเป็นผู้ง่ายๆเป็นคนเลี้ยงง่ายเหมือนกันเถิดอันดับต่อไปก็อยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดคือเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆเป็นผู้ที่อยู่สงบพระพุทธเจ้าพูดถึงสถานที่อย่างเช่นราบป่าโคนไม้เรือนว่างพวกนี้ซอก้วยท้องเนื้มผาป่าช้าป่าช้าที่แจ้งลอมฟ่าง พวกนี้จะเป็น อ, อยู่ในที่นั่งที่นอนหลังสงัดจุกค่ ะ, ะถัดไปก็จะเป็นผู้มีความเพียรในจิตอันยิง่งทำความเพียรในจิตอันยิง่งเช่นว่าคุณนั่งสมาธิคุณทําจิตให้บริสุทธิ์คุณสวดมนต์คุณทำเจริญวิปัสสนาอย่างนี้เป็นตน้นเจริญเมตตาพวกนี้คือประกอบความเพียรในจิตอันยิ่งทั้งหมดเลยจุ๊กค่ะแล้นี่แหละคือเป็นคําสอนของผู้ชอบทั้งหลายคือมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกข้อตรงนี้ นี่เป็นหลักการวิธีการในการปฏิบัติค่ะซึ่งถ้าเรามามองดูข้อปฏิบัติตรงนี้เนี่ยนะจะทําให้การประกาศศาสนาเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีค่ะคนอื่นลัฐที่อื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนอลัฐที่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่จะมาแก้ทุกข์ให้ได้เนี่ยเขาก็จะไม่สงสัยไม่มีความกังวลใจว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเราก็ทําดีของเราแค่นั้ น, นเองจะมีความสบายใจทุกฝ่า ย, ยค่ะนึกออกเไหมค่ ะ, คะอืมก็เหมือนกับเป็นหลักที่ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงสแสดงธรรมไว้ที่เราเรียกกันว่าโอวาทิปตโอวาทัปติโมกนะกคะให้แก่พระสงฆ์ถึงหนึ่งันสองรห้าสิบรูปซึ่งพระสงฆ์หนึ่งันสองรห้าสิบรูปนั้นล้วนเป็นพระสงฆ์ที่เป็นอริยเจ้ า, เ ป, า, าเป็นพระอรหันต์หมดแล้วก็ องค์พระพุทธเจ้าเรานั้นก็ทรงบวชให้ทั้งหมดนะเจ้าคะก็ถือเป็นวันอัตรจรรย์ที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชานะเจ้าคะที่ตามที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักฉามาแล้วทีนี้เวลาในรายการเหลืออยู่ประมาณสักสนาทีนะเจ้าคะอยากจะขอกราบให้พระอาจารย์พิบุรณพิพุโนองค์ปาทกเจ้าค่ะได้พูดให้ฟังถึงจุดสาคัญอย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้บอกแล้วนะเจ้าคะว่า ในการแสดงโอวาทปฏิโมกของ <ừ> องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย ก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมเป็นข้อๆอย่างที่พระอาจารย์ภัยบุญในเมตตาสรรักษาไปแล้วนะเจ้าคะทีนี้หัวใจสำคัญที่พุทธศาสนิกชนเราควรจะพึงสังวรในทุกครั้งที่วันมาคบุชาได้เวียนมาบรรจบครอบๆอีกครั้งหนึ่ง อ, อย่างเช่นที่จะมาถึงในวันพุทธที่เจ็ดมีนาคมนี้เนี่ยเราควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนกชนที่ดีของ ศา ส, สนาพุทธเราเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก่อนไปถึงประเด็นเรื่องที่เราจะปฏิบัติยังไงเนี่ยคือคือข้อความที่พูดไปเมื่อสักครู่เป็นคําบริกษาตรงนี้นะเจมันไม่ใช่สําหรับพระอย่างเดียวมันไม่ใช่สําหรับครว่าต์อย่างเดียวนะวคะคือมันสําหรับบุคคลที่จะช่วยบรึกษาหมุนธรรมาจาักรให้ได้เออค่ะคือพระหรือครว่าต์เนี่ยคุณจะต้องให้ความสําคัญตรงข้อมูลนี้อย่างยิ่งเช่นความมีขันตินะความรู้ประมาณในโพชนาอาหารอยู่เสมออย่างเงี้ย การอยู่ในเสนาสนะอันสังกัดพวกนี้มันมันจะทําให้คําสอนพุทธชาติเนี่ยหมุนไปได้เจ้าค่ะโดยเฉพาะยิ่พระสงฆ์อ่ะพระสงฆ์ที่คุณจะมาช่วยเผยแผ่ศาสนาอะไรต่เป็นธรรมทูตเป็นพระอยู่ตอนนี้ปฏิบัติเองก็ตามหรือว่ามีคนที่เขาจะมาฟังคําสอนของเราเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามเนี่ ย, ย ค, คุณควจะต้องมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากแล้วทําให้ได้เจ้าค่ะทําไม่ได้ส่วนคนที่เป็นพระบาอาจารย์โยมนะคุณก็ปด้ไ ป, ปตามนี้มีขันติไม่กล่าวร้ายต่อใครไม่ทําร้ายใครสมรลัยปฏิโมหรือประมาณในโภชนะต่างๆ มันจะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็คนรอบข้างเราเนี่ยเราจะเขาเรียกว่ามีอิทธิพลเหนือจิตของเขาให้เขาคลายทุกข์ได้เจ้าค่ะแลจะช่วยทำให้สังคมบ้านเมืองคนรอบข้างนะพระธรรมวินัยนี้น ะ, จะเจริญดีขึ้นมาได้เจ้าค่ะอดทนนี่ดีมากมากล่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าสิ่งที่เราถ้าหากเราปฏิบัติตาม สิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในโอวาทปฏิโมกทั้งหมดทุกข้ออย่างที่พระอาจารย์ภัยบุญอภพิพุนโนได้สักคามานั้นเนี่ยก็จะทําให้ทั้งตัวเราแล้วก็บุคคลที่อยู่ในครอบครัวในสังคมเดียวกับเรานั้นเนี่ยมีแต่ความสงบสุขใช่ไหมเจ้าคะ<ช>สุขกายสุขใจอยู่ได้ใ<ช>เจ้าคะ่ะก็ยอมคิดว่าสําหรับในเช้าวันเสาร์ที่สามมีนาคมนี้นะเจ้าคะก็คงจะ เรียนเกล่นให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงความสำคัญของวันมาค่าบูชาซึ่งจะมาถึงในวันที่เจ็ดมีนาคมเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ในเช้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าคะจะขอความเมตตาพระอาจาร ย, ย์ไพบุญได้พูดเจาะลงลึกถึงอโอวาทปฏิโมกนี้ว่าแต่ละข้อนั้นเนี่ยพุทธศาสนิกชนควรจะน้อมนำมาปฏิบัติตาม แล้วจะมีอนิสงส์ที่ดีต่อชีวิตต่อตนเองและต่อสังคมประเทศชาติอย่างไรบ้างนะเจ้าคะสำหรับในเช้าวันนี้โยมก็ขอกราบนวัสการขอพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โทภาโศหรือท่านพระกูสิทิปปภากรทั้งเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายสกุก ตั้งอยู่ที่ตำบลนนหายโสกอำเภอหนองหาจงนจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างสูงนะเจ้าคะ่ะที่ได้เมตตามาสนทนาธรรมะหรือสักฉาในรายการธรรมรับรุณในเช้าวันเสาร์ต้นเดือนมีนาคมนี้เจ้าคะ่ะกลับน้ำปรการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะยินยีานสาธุเจ้าคะ่ะ